นั่งนั่งมันมีแบบนั่งล้มหลวมก็มีนะขัดสมาธิลาบไม่เอาขาซ้อนกันขัดสมาธิซ้อนนี่ก็เอาขาขวาทับขาซ้ายขัดสมาธิเพชรก็ยิ่งดีอีกแหละทีนี้เอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาอีกอันนี้มันเส้นเอ็นจะเหยืดดีถ้าทำได้ ขัดสมาธิสองชั้นก็ว่าขัดสมาธิเพชรก็ว่ามีอะไรหรอกได้แล้วก็เอาคําบริกรรมนั่นแหละคําบริกรรมคําภาวนาสติไปลึกและลึกรู้อยู่ที่คําบริกรรมคําภาวนาที่นี่เราจะเอาสองอย่างคําบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถนัดเอาพุโทโธพุธโทโธว่าพุโทโธก็ให้เอาพุโทโธผู้เคยเอาลมหายใจเข้าออกก็ให้เอาลมหายใจเข้าออกาเอาลมหายใจเข้าออกก็เอาเลือกฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจมันจะเริ่มจากปลายจมูกนี่แหละ เอาไปจุดแรกคือไปจมูกขึ้นไปหน้าผากจุดที่สองที่สามก็จะไปกระมอมจุดที่สี่ก็จะไปลำคอผ่านไปอย่างนี้จุดที่ห้าก็ลงไปลิ้นปีจุดที่หกก็ลงไปท้องจุดที่เจ็ดก็สะดือพระพุทธองค์บัญญัติไว้เจ็ดจุดจิตของเราจะวิ่งผ่านไป จุดทั้งเกตนี้ชั่วระยะขณะหนึ่งก็ผ่านไปผ่านไปซึ่งมันเป็นของละเอียดเราจึงสังเกตลมหายใจกระทบนะกระทบตรงไหนเกตจุดนี่มันอาบออกมาก็กลับมาจากสะดือแล้วก็มาท้องมาลิ้นปี่มาคอแล้วก็ขึ้นมากะมอมลงมาหน้าผากลงมาไปจมูก ผู้ฝึกหัดใหม่ๆก็ต้องเลือกฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิโดยหายใจเข้ายาวออกยาวลองดูหายใจเข้าสั้นออกสั้นลองดูหายใจสั้นสลับยาวลองดูหายใจยาวสลับสั้นลองดูเอาให้หนักหนักบ้างแรงแรงบ้าง เบาเบาบ้างถ้าตอนมันเบามันจะถกกระทบตรงไหนชัดถ้าหนักมันกระทบตรงไหนชัดตรงไหนเด่นตรงไหนชัดก็ให้เลือกเอาตรงนั้นแหละเป็นฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของจิตเลือกเอาตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิตั้งเจ็ดจุดให้เลือกเอาเพียงจุดเดียว ที่มันกระทบหนักที่สุดแรงที่สุดเด่นที่สุดนั่นแหละให้เลือกเอาจุดนั้นเป็นที่ตั้งของสมาธิเมือ่อทำดูแล้วเลือกได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเท่านั้นแหละพุโทโธหรือคำวาริกรรมนี่พุโทโธหรือลมหายใจนี่เราจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเอาด้วยกันก็ได้ เวลาลมเข้าก็ว่าพุทลมเข้าสติเห็นลมเข้าชัดเจนถึงว่าพุทเวลาเห็นลมออกออกชัดเจนให้เห็นชัดชัดนะถึงว่าโทรหรือลมเข้าก็ว่าเข้าลมออกก็ว่าออกแล้วแต่ใครถนัดอยากจะเอาพุทโทรหรืออาจจะเอาลมเข้าว่าเข้าว่าออก บริกรรมในใจอะอันนี้คงเคยฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วมาบอกเพิ่มเติมอีกใช่ๆรอกสงสัยมันจะหายสงสัยสติคือนายามเฝ้าจับเอารมเข้าลมบอกนั่นแหละอยู่ที่จุดเดียวเราไปคงเห็นนายามยามเฝ้าปะตูโรงเรียนบางเฝ้าปวตูโรงงานบัง เฝ้าประตูสำนักงานบ้างเขานั่นจะมีเขามานั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละฮะสตินะเฝ้าเห็นออกก็ระลึกรู้ว่าออกสติเห็นเข้าก็ระลึกรู้ว่ามันเข้าก็ว่าเข้าในใจอย่างนั้นให้ทําอยู่อย่างนี้สติอยากให้มัน พาดเคลื่อนออกจากลมให้ใจสติกับลมให้ใจให้มันแนบสนิทติดกันอยู่ไม่ให้ขาดช่วงไม่ให้ขาดวักขาดตอนเอาอันเดียวนี้่อันอื่นไม่ต้องไปพูดกับมันความคิดไม่ต้องไปคิดมันเวลาไหนคิดก็ได้เราความคิดนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่สายเป็นดอกปล่อยความคิดในอดีตทิ้งไป อนาคตยังไม่มาถึงอย่าเอาเข้ามาปัจจุบันให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านี้แล้วก็ว่าเข้าว่าออกหรือเข้าก็พูดขอก็โทษนะพูดโทษพูดโทษอยู่อย่างนี้่จนลมมันนิ่มมันละเอียดมันเบาลงนั่นแหละพิธีทำ คำบริกรรมคำภาวนาก็เหมือนเหยื่อนะ่ะ mm. เหยื่อเบ็ดเอาตกเบ็ดเขาต้องเอาเหยื่อไปใส่เบ็ดนะล่อจับเอาปลาถ้าเอาเบ็ดเปล่าๆ ล, ลงไปมันก็ไม่มาเอาแล้วมันไม่ไม่กินเบ็ดเอาปลามันไม่ไม่เหยื่อมันกลัวเบ็ดเราต้องเอาเหยื่อมาเสียบใส่เบ็ดเอาคำบริกรรมคำภาวนานะันมาล่อจับเอาจิต ใหม่ๆก็ล้มลุกคุกคานอยู่ไม่ต้องไปโกรธไปอะไรกับมันนะมันถากเป็นอย่างนั้นฝืนทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ปรุงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็วางมันไปไปดีใจเสียใจกับความคิดปล่อยมันทิ้งไปคิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งอยู่นี่ไม่ทําอะไรไม่ได้หรอก นี่เด่กคนโง่น่ะไปถงเอาถือเอาความคิดเจ้ววาวอมว่าเป็นตัวเป็นตขนขึ้นมานั่งอยู่นี่คิดแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่ได้ปล่อยทิ้งไปนะนั่นนะเข้าใจนั่นีช่ไ่ํทำไปเรื่อยๆก็ฟังฟังเทศไปพร้อมใช่ไ่ม เ, เทศไปพร้อมเข้าใจวิธีทำแล้วนะ อ, อีกอันหนึ่งเวลามันลมเบาลงเบาลงลมหายลมระงับกายระงับลมดับลงอย่าไปดึงขึ้นมาก็ปล่อยให้มันระงับดับลงกายระงับคือลมหายใจระงับลงดับลงมันไม่ตายดอกตัวผู้ลูกยังอยู่อย่าไปดึงขึ้นมาใหม วางไปเลยเอาสติไปจับเอาตัวผู้รู้นั่นคือจิตของเราปลาตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตเมื่อมันหายแล้วก็เอาสติไปจับเอาจิตเท่านั้นเมื่อจิตมาเสพอยู่กับคําบริกรรมคําภาวนาเราก็เอาสติไปจับเอาจิตยเยเบ็ดแล้วไม่ต้องการให้เข้าใจอย่างนี้นะมันล้มลุกคุกคานอยู่ ตั้งสติใหม่อยู่งั้นคิดไปอย่าไปน้อยเนื้อจาใจมันธรรมดาความคิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นแหละเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นก็ดับคิดไปเรื่องโน้นก็ดับเครื่องนี้ก็ดับอยู่แค่นั้นเอาวางมันทิ้งไปอย่าไปจับเอาอย่าไปถือเอาความคิดอนะ เ, เมื่อกี้นี่เราก็พ า, าทำวัดสวดมนต์ ธำมวัดสวดมนต์ธำวัดเสร็จก็พาสวดพระอภิธรรมเกดคำพีคือกุศลานั่นนะพะอภิธรรมทรรมอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ทำอันยิ่งใหญ่ทำเป็นตอนที่พระพุทธองค์ประเด็จขึ้นไปเทศโปรดเอาพระพุทธมารดา อยู่วนสวรรษชั้นดาวดึงนั้นจนพระพุทธมันดาผู้เท่าเข้าใจเคื่อนไปจุดติอยู่วนสวรร์ชั้นดุสิตอันที่สี่อันนี้สงมากที่ว่ากุศลานี่แหละกุศลธรรมาอากุศลธรรมาอภยกตาธรรมานี่ํำแปรมันกุศลลาแปลว่าบุญแปรว่ากุศล แปลว่าความฉลาดเลาเนี่ยบุณกุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละกุศลานี่ ย, ย่อลงมาคือบุญคือกุศลคุณกุศลก็คือการให้ทานรักษาศีลภาวนาหรือให้ทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ เดินปัญญานี่นะเพราะว่าภาวนามันแยกออกเป็นสองอย่างสมถะภาวนาคือนั่งสมาธิให้จิตสงบต่อไปก็เป็นวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาแต่ว่าทําให้เกิดปัญญาทําให้รูกแก้แจ้งทําให้เกิดสติปัญญาว่าวิปัสสนาภาวนา แก่วบุญกุศลไม่มีมากมายอะไรเอาไปสวดให้คนตายก็กุศลานี่แหละนีมนไปให้บุญคนตายนะส่วนอกุศลาก็มีอยู่คือบาปอากุศลเป็นของคู่กันบุญกับบาปบาปอากุศลอกุศลแปลว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลนั่นแหละอกุศลอกุศลาศลคือบาป บาปทั้งหลายก็ย่นย่ อ, ยอลงมาเหลืออยู่ห้าอย่างห้าสัตว์สองลักทรัพย์สามประพฤติผิดในการมสี่พูดปวดมดเท็จห้ากินเหล้าเมาสุราบาปอ่ะย่นย่ อ, ย อ, ยอลงมาเหลืออยู่ห้าอย่างทีนี้อภิญญากรตาธรรมาน ะ, นะอภิญญากตาจิตจิตที่อยู่จิตบริสุทธิ์อยู่นอกบุญเนื้อบาป คือไม่ใช่กุตตลาไม่ใช่อกุตตลาเป็นกิจกลางๆางอยู่นอกบุญเนื้อบาปให้เข้าใจอย่างนี้ลาญาติพี่น้องตายไม่มีอะไรจะบอกก็เลยมานิมนต์พระไปเทศบอกนี่หละบอกบุญบอกบาปหรือพูดเป็นอีกสำนวนนวนหนึ่งเพราะว่า สัพพปาปัสสะอาักขาระนังอย่างนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละอุสสรัสูปัสมปทานั้นตะกิตตะปริโยทปนังเอตังพุท ธ, ธานาสาสนังก็อันเดียวกันใช้สำนวนคำพูดวโวหานของพระสูตรสมมุติไปคนละอย่างเฉยๆสัพพปาปัสสะอาักขาระนังก็เว้นจากการทำบาปทั้งปวงก็แปลอันเดียวกันนั่นแหละ บาปทั้งปวงก็คือข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกา ร, รมพูดโผดมดเทสกินเหล้าเมาสุรานี่ยกุสลรัศดูประมปทานนั่นทำสร้างกุศลให้ถึงพร้อม น, น, นั่นแหละูุสลรัศูก็คือกุศลนั่นแหะคือกุศลานั่นแหละเบื้องรัศดก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ย ใส่จิตตปริโยธประนังทำจิตให้ผ่องแผ้วแจ่มใสทำจิตให้ผ่องแผ้วแจ่มใสก็คือมานั่งสมาธิภาวนาดับอารมณ์ออกจา ก, กจิตดับโลกออกจากธรรมดับอารมณ์ออกจา ก, กจิตจิตของเราก็ผ่องแผ้วแจ่มใสเป็นพุทธโธอยู่ตลอดวันตลอดคืน เอตังพุทธานาาสนังนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงพระเวรเจ้าทั้งหลายทั้งปวงอุบัติขึ้นมาก็มาสอนแค่นี้แหละกุศลธาตุมาอากุศลธาตุมาอัพยากตาหรือมาสอนแค่สัพพปาปัสสะอกัลลนังก็อันเดียวกันกุสลสูปสัมปทา ไกิตตปริโยธาปะนังเอตังปุทธานศสาสนังอันเดียวกันนะพูดคนละสำนวนคนละภาษาแย่บอกให้เราเข้าใ จ, จเฉยๆดอกนี่แหละตายไปแล้วเนี่เมื่อไว้เกิดอีกนะอย่าไปาทำบาปอากุศลเนอ้อเว้นจากการทำบาปทั้งพวงเนอ้ออกุศลาธรรมานทำไมยังไปบวกให้หยุดไม่ให้ทำบาปถ้าทำบาปแล้ว น ะ, ะสั่งกายไปทำบาปสั่งวาจาไปพูดบาปพูดสั่งก็คือใจคือเราใจก็คือเราเรานี่แหละไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเรานี่ยแหละไปพูดปวดหมดเท็จเรานี่เแหละไปกินเหล้าเมาสุราเราเป็นผู้รับผลของกรรมคนเดียว กายมันธาตุแตกขันดับแล้วกายมันแตกเสื่อมสลายไปแล้วมันก็ไปสู่ธาตุเดิมของมันส่วนผู้รับบาปก็คือเราเราเป็นคนรับบาปคนเดียวเมื่อกิจบาปกิจ ด, ดำกิจบาปนะบาปคือความชั่วนี่แหละมันอยะกดดันกิจของเราให้ไปเกิดอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่ง อันจึงไม่ให้ทําบาปไปอยู่อบายวภูมิทั้งสี่อบายวภูมิมีอยู่สี่เป็นสัตว์นรกหนึ่งเป็ดสองอสุรกายสามสัตว์เดรัจฉานสี่เนี่ยสี่อย่างเนี่ยอบายวภูมิสี่ท่านจึงไม่ให้ไปทําบาปถ้าทําบาปแล้วจิตของเรามันตายไม่เป็น นะตายของเราก็เปลียบเสมือนเสื้อผ้านี่แหละเสื้อผ้ามันเก่ามันแก่มนนันนั่นแล้วเราก็เอาทิ้งไปตายของเราก็ไปซื้อเอารุดใหม่มาสวมจิตของเราก็เหมือนกันตายไปแล้วจิตไม่ได้ตายด้วยมันก็ไปแสวงหาพบหาภูมิใหม่ตามผลของกรรมที่ทําเอาไว้ ทำบาปเอาไว้มันก็ไปตกอบายภูมิทำบุญกุศลมันก็ไปได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินีพผานสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆนะให้เข้าใจอย่างนี้สลามีอกุศลานี่ไม่ให้ไปทำบาปเดอ้อมันจะไปตกอยู่อบายภูมิทั้งสีนั่นต่างแต่บุญกุศลให้ทานลักษาศีลภาวนานั่น อย่างที่เรามาวันนี้ก็มาแล้วนี่กว่าจะได้มามันยากลำบากเหลือเกินจะวางแวดล้อมออกมาได้ออกจากบ้านจากเรือนจากห้องจากหอจากขุดภรรยาทรัพย์สมบัติหนีมาเนี่ยมันยากเหลือเกินมเมื่อมาแล้วก็ให้กุศลาให้เจ้าของให้ทานแล้วก็รักษาศีล ศีนก็ไม่มีอะไรเราศีนห้าศีลแปดศีนสิบศีนสองรอยี่สิบเจ็ดนี่แหละศีนของคารวะญาติโยมกว่าศีนห้านี่แหละศีนของอ่านั่นก็มากขึ้นมาสูงหน่อยก็ศีลแปดขึ้นไปศีลของเนนก็ศีนสิบศีนของพระก็ศีนสองรอยี่สิบเจ็ดมันอานิสงส์ต่างกันละเอียดต่างกันศีลพวกนี้ส่วนคารวะญาติโยมก็คงถือแต่ศีน ห้านั่นแหละยังอาอยู่ในอาวาสอย่างคาอยู่ในเครือสถานอยู่คาบ้านคาช่องคาอยู่ในครอบในครัวอยู่ก็ต้องรักษาศีลห้าเท่านี้ทีนี้ศีลห้านี่ก็เป็นถ้ารักษาได้ก็ได้แค่มนุษย์สมบัติเท่านั้นแล้วถ้าใครอยากเข้าสวรรค์นิพพานก็ต้องเอา สินอย่างอื่นมาบวกเข้าใส่เอกสินห้านี่ได้แก่มนุษย์สมบัติเท่านี้ถ้าใครอยากเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐก็เอาศินกุศลกรรมบทสิบมาบวกใส่อีกน ะ, ะกายกรรมสามไวจีกรรมสี่มโนกรรมสามสิกุศลกรรมบทสิบนี่ กุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางทางกระทําของผู้ฉลาดได้แก่นักปราบบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทําลงในศีลกุศลกรรมบทนี้นะเนี่ยถ้าทําได้กุศลกรรมบทสิบไปบวกกับศีลท่า เราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสุปฏิปโนมไม่มาบวชก็เป็นได้นะเป็นผู้มีกายประเสริฐกายดีวาจาดีใจดีอะไรดีสุปฏิปโนพระขวาตโตสาวกสังโฆสงสาวะของพระพุทธเจ้าหมูไดปฏิบัติดีแล้ว นี่แหละอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีนี่กายดีคือไม่เอากายไปข่าสัตว์รักทรัพย์อพุทผิดในกรรมวาจาดีไม่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้อเล้ยวไหลเล่ยสละใจดีคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุกคนอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทําบาปในที่รับที่แกลีโอตปะ แล้วอันนี้เรียกว่าอาริยาบุคคลขั้นตน้นอโสดาบนนี้เรียกว่าพัฒสุปฏิปันโนอันเดียวกันอ่าเนี่ยเนี่ยขั้นศีลนั่เนี่ยอ่าเนี่ยกุศลาให้เจ้าของท่า น, นอยู่เฉยเฉยไม่อุดกุศลานึ่คือสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของเกิดมาก็ขาดทุนแล้วไม่ไม่รู้จแกสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของ ไม่กุศลาให้เจ้าของไม่ใช่กุศลานี่ไปเทศให้กับคนตายนะคนเรานั่งอยู่นี่ล่ะรู้จักกุศลาเนี่ยต้องกุศลาให้เจ้าของตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วจะไปนั่งสมาธิไปรักษาศีลได้ไหมล่ะฮะึคนตายรักษาศีลไม่ได้หรอกมีแต่มนินมนต์พระไปให้ศีลว่างั้นนะให้ศีลอย่างไรคนตายเอามือไปเคาะกรลงกุ๊กกุ๊กพ่อพ่อรับศีล น, นะแม่แม่รับศีล น, นะว่างั้นนะ จะไม่รับอะไรตายแล้วไม่รู้จากศีลรับไม่ได้วิญญาณอาจจะแม้ยังไม่ไปเรา อ, อาจจะรับได้อยู่แต่มันทําไม่ได้นะกายไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่มีแล้วกายวาจาใจไม่มีนี่แหละกุศลาขั้นศีลทานแล้วก็รู้แล้วศีล น, นี่ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นอโสดาบันคงเข้าใจนะ ชาตินี้ปิดอบายยภูมิให้เจ้าของพระโสดาบันศีลไม่ต้องปฏิบัติยากศีลเป็นเองโดยอัตโนมัติพระโสดาบันไม่กล้าไปทําบาปในที่ลับที่แจ้งไม่กล้าทําผิดศีลในที่ลับที่แจ้งพระโสดาบันศีลเป็นอัตโนมัติให้พากันเข้าใจอย่างนี้นี่แหละพระโสดาบันไม่หวั่นไหวในจัตรุรบายทั้งสี่ในอบายภูมิทั้งสี่ ปิดอบ า, ายยภูมิทั้งสีได้แล้วพระโสดาบันนะฮะหันหน้าเข้าสวรรค์นิพพานไปเรื่อยๆเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานอ่าหันหน้าเข้าสวรรค์นิพพานไปเรื่อยๆนี่คนเกิดมาก็หวังอันนี้แหละใครใครอยู่นั่งอยู่นี่หวังอยากจะไปเป็นสัตว์นโลกมีไหมหลัง ม, มีไหม ใครอยากจะไปเป็นเปตนี่มีไหมไม่มีใครอยากจะเป็นอสุรกายก็ไม่มีใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีอย่างน้อยก็ให้ได้มนุษย์สมบัตินั่นสวรรค์สมบัติปมสมบัตินิพานสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆความปรารถนาของเราปรารถนาในภพนั้นภพนี้ ไอ้อยากปฎิฐานาลงไปงั้นแต่ไม่ปฎิฐานาเจ้าของไปทําเองนะเท่นะอา้าวเจ้าของไปทําเองไม่มีใครจะไปจาหนีพ่อแม่จาหนีพระก็ไม่ได้เจ้าของไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมเองไปพูดปดไปกินเหล้าเมาสุรานะะี่ยนะเจ้าของไปกินเองจะไปโทษใครเท่นะ ไปตกอยู่อบายภูมิก็เพราะว่าเหตุมันอยู่กับตัวเองเท่านั้นถ้าตัวเองไม่อยากไปก็ปบับศีลให้มันดีนี่แหละถ้าทําอย่างนี้เป็นเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐประเสริฐก็เรียกอริยะ เราก็ได้เป็นบุคลบคลผู้ประเสริฐอ่าบุคคลผู้ประเสริฐก็เรียกว่าอริยะบุคคลนี่แหละไม่ได้อยู่ไหนดอกสงสาวกของพระฤาษีเจ้าหมู่ได้ปฏิบัติดีแล้วนะั่นไม่ได้อยู่ที่อื่นให้เข้าใจอย่างนี้นะเมื่อเมื่อปิดอบายภูมิได้แล้วกว็หันหน้าเข้าสวรรค์นิพพานแล้วอ่าพระโสดาบันนี่ก็จิต ตกกระแสตกกระแสยังไม่ถึงพระนิพพานนะ <S <S เหมือนกับน้ำมันไหลนี่แหละไหลอยู่ในคลองนี่แหละ <S <S ไหลเรื่อยๆไหลเอ่ย ๆ, ล, ยๆลงไปจิตพระโสดาบันก็ไหลทวนกระแสขึ้นไปเงินน้ำก็ไหลตามกระแสลงไปนั่นละไปตกถึงทะเลก็เป็นน้ำเค็มเหมือนกันหมด จิตของพระโสดาบันก็ทวนกระแสขึ้นไปทวนกระแสของโลกขึ้นไปจนไปถึงพระสัจจิธาคาอนาค้าไปถึงพระละหันจิตของเราก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเหมือนน้ำไหลไปตกทะเลนั่นแหละก็เป็นน้ำเค็มเหมือนกันหมด ไม่ว่าน้ำไหลจากประเทศไหนไหลลงไปตกทะเลก็เข้มเหมือนกันหมดจิตของคนปฏิบัตินี่ทวนขึ้นไปถึงกระแสผ่านโลกการมโลกรูปโลกอรูปโลกขึ้นไปก็ไปถึงโลกุตตะละภูมิคือพระนิพพานเมื่อไปถึงนั้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนี่แหละพระโสดาบันน่ะนะ ให้พากันเข้าใจปฏิบัติให้ได้ทำให้มีให้เป็นให้เกิดให้มีให้เป็นให้เห็นที่เจ้าของเป็นสังโคสังโคผู้ที่มีกายดีวาจาดีเป็นนิยโตบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติหรือท่านเรียกว่าสังโคสังโคแปลว่าหมู่เดียวกันหมู่ที่มีกายดีเหมือนกัน วาจาดีเหมือนกันใจดีเหมือนกันไปอยู่ประเทศไหนภาษาไหนก็ตามถ้ากายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าสังโคหมดเขาจะนับถือศาสน า, าพุทธหรือไม่นับถือก็ตามเรียกว่าสังโคหมดแปลว่าหมูเดียวกันหมูที่กายดีวาจาดีใจดีพวกนี้ปิดอบายภูมิได้นี่ขั้นศีล น, นะให้เข้าใจศีล น, นี่ก็ได้ รักษาศีลขั้นนี้ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่ไปอบายภูมิแล้วนะปิดแล้ว ห, หันหลังให้อวัยภูมิแล้วหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ก็เพียงเกียติชาติก็เข้าสู่พระนิพพานอยากเป็นไหมนะอยากดีไหมนี่อริยบุคคลที่นี่ขั้นศีลนี่ก็ได้แค่นี้ละ่ะ อานศีลก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทีนี้ถ้าอยากไปอยู่เกิดอยู่พรมโลกแล้วทํายังไงทีนี้อานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็มานั่งสมาธิแล้วทีนี้ยอยากเห็นพรมโลกเห็นตั้งแต่นั่งอยู่นี่แหละพรมโลกอ่ะไม่เฉยตายเนี่ยถึงจะไปเห็นนะตายไปก็ไม่ได้ถ้าไปถึงพรมโลกถ้าไม่มานั่งสมาธิ นี่แหละเรามาย่นพบย่นชาติของเราด้วยการมานั่งสมาธินี่ถ้านั่งสมาธิกิจสงบว่างลงอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แหละ ว, วิธีทำสมาธิก็เอาลมให้ใจเข้าออกนี่แหละเป็นคำบริกรรมคำภาวนาสติกบลมให้ใจอย่าให้คาดเคลื่อนออกอย่ากันนั่งไปนั่งมากิจว่างสงบลงเกิด วิตกวิจารปิติสุเอกัตคตาลมจิตออกจากการมาคุณห้ได้จิต ก, ก็เป็นเอกัตคตาลมจิต ก, ก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในลูปาไว้จอนจิตในฌานรูปฌานนะถ้าได้วิตกวิจารปิตสุเอกัตคตาลมก็ได้ปฐมฌานแต่ฌานเนื้อ ชาติที่หนึ่งชานมันมีอยู่สี่ถ้านั่งไปนั่งมาวิตกวิจารณ์ดับลงไปคือลมหายใจนะ่ะวิตกอยู่ที่ลมหายใจวิจารณ์อยู่ที่ลมหายใจพอลมหายใจระงับดับลงก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์ดับก็คงเหลือแต่ปีติความอิม่มอกอิ่มใจเกิดสุขเยือกเย็นขึ้นสุขสบายขึ้น ปีติสุกจิตก็รู้รเป็นอารมณ์เดียวอยู่เรียกว่าได้ฌานที่แานฌานสองหรือเรียกว่าตุติยะฌานฌานสองมีอารมณ์สคือปีติสุขเอกัคตาลมต่อไปปีติมันจะดับลงโดยปริยายนั่งไปจิตมันจะพัฒนาไปเองไม่ต้องไม่ไม่ได้ไปดับมันหรอก มันพัฒนาของเขาไปเองกิจดับปีติลงก็ลงเหลือแต่สุขกับเอกับคัดตาลมพราะเป็นฌานสามมีอารมณ์สองคือสุขอยู่กับเอกับขัดตาลมรู้อยู่กับสุขอยู่สองอารมณ์สองอย่างนี่มีได้สุขรู้ว่าสุขรู้ว่าสุขสูขกับสุขอยู่เท่านั้นอีนี้เมื่อสุขดับ หายไปโดยปริยายเทเนยนั่งไปนั่งมาพ่อปรากฏอุเบกขาขึ้นมาแทนจะมีอารมณ์สองทเทนยอุเบกขากับเอกัดคัตตาลมอันนี้เรียกว่าฌานสี่หรือเรียกว่าจัดตุชชาฌานฌานสี่ฌานมันมีสุยสี่อย่างเน่นะ ถ้าใครได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ฌานสี่ทีนี้เราจะเห็นอารมณ์แปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตในใจของเราจะเห็นความว่างจะเห็นปีติสุขเห็นอารมณ์เดียวรู้รูอยู่นั่นนะ่ะนั่นแหะสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลมหายใจดับลงรงับดับลงกายหยาบก็าหาย ลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้รู้อยู่นี่แหละท่านเรียกว่ารูปปริกิจิรูปคมอันนี้มันเกิดจากมโนทวานอย่างเดียวนั่งสมาธินี่มโนทวานจะเกิดความรู้ว่าว่างว่าสงบแต่คืออารมณ์ภายนอกไปกระทบใจของเราความรู้เกิดรู้ว่าว่างเกิดรู้ว่าสุข เกิดรูปอย่างงั้นอย่างนี้ก็คือนามรูป ก, กับนามก็คือขันห่านนะเป็นขันละเอียดขันประนีตรนะูปปรจิตท่านเรียกว่ารูปชานอถ้าธาตุแตกขันดับช่วงเราได้ฌานได้สมาธิอยู่ก็ไปอุบัติขึ้นบนพร ม, มโลกนะไม่ใช่ตายไปถึงจะไปนะเห็นพร ม, มโลกตั้งแต่ยังไม่ตายนะให้เข้าใจอย่างนี้ ถ้าแตกขั้นดับก็ไปอุบัติขึ้นบกมโลกชั้นที่หนึ่งสองสามได้ปฐมฌานน่ะอยากเห็นไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะบกมรโลกเนี่ยเฮขนาดสวรรค์นี่กส็สบายมากแล้วไม่ได้อธิบายสวรรค์ให้ฟังเมื่อกี้นี่ความสุขในสวรรค์เหนียวสุขเรือหล่นเหนือคนในโลกอีกไม่ได้ทําการทํางานไม่ได้ทําอะไรอยู่ในสวรรค์ พ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นทิปปาราศาสตร์ราชวังก็เป็นทิพยิ่งแล้วคนที่เคยสร้างบุญบา ร, รมีไว้เคยทานของสูงสูงทานบาททานผ่าไตทานกีวรทานาสร้างสลาวิหารเยดีเมื่อถ้าแต่ขั้นดับบนไปบนสวรรค์มันจะได้วิมานโออา แสงรัศมีกว้างใหญ่โตโอฬมโหลานนะที่นั่งที่นอนเป็นทิพย์หมดหนาเป็นโยชนะ์สบายถึงขนาดนั้นขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้มาค้าขายทำมาห้กินอีกดอกเนลมิตคิดถึงอยากกินอะไรนี่อยากกินอะไรนี่บนสวรรค์ น, นี่มันสุขถึงขนาดนั้นอพอนึกปับ๊บ เนรมิตเนี่ย น, นะคิดแปลว่าคิดคิดอยากปั๊บนี่เกิดอิ่มทริปขึ้นมาโอ้อิ่มทริปนี่ไม่ใช่คล้องเล่นๆนะอิ่มขึ้นมาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปลงทุนทําอะไรพอเนรมิตคิดอยากเท่านั้นเลยมันอิ่มขึ้นมาเลยการเสพกามยิ่งกามละเอียดประนีตกามทริปเนี่ย น, นะ ไม่ใช่เหมือนกามในมนุษย์นะกามมนุษย์นี่มันหยาบหยาบกามในสวรรค์นี่เป็นกามทิพย์นั่นแหละสวรรค์จึงมีสุขมากอายุยืนนะชั้นจาตูมนี่ก็ห้าสิปีในเมืองมนุษย์ก็จะเท่ากับวันหนึ่งในชั้นจาตูมถ้าขึ้นไปจุดตีบนชั้นดาวดึงก็ร้อยปีในเมืองมนุษย์ก็เท่ากับ สวรรค์ดาวดึงวันเดียวขึ้นไปชั้นสูงกว่า น, นี้ยิ่งอายุยืนอันนี้พูดเรื่องสวรรค์นนะความสุขในสวรรค์ที่นี้พรมโลกยิ่งสุขกว่านี้นะอืมเหมือนกับพระนิพพานเลยหนะึ่ะอในพรมโลกเนี่ยไม่มีสัตว์หลายประเภทนะมีสัตว์ประเภทเดียวขึ้นไปเกิดอยู่พรมโลก มีแต่วิญญาณอย่างเดียวมีแต่รูปปกิดอย่างเดียววิญญาณไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะ <c oughs> ไม่มีตัวผู้ตัวเมียเหมือนอยู่เป็นเทวดาเหมือนเป็นมนุษย์นะขึ้นไปพรมโลกนี่สุปีติยิ่มเ อ, อิบสุกอยู่อย่างนั้นอาหารของผมมีแต่ปีตีกับสุขเท่านั้นยิ่งละเอียดขึ้นไปกว่าสวรรค์อีกอายุก็ยาวนานจนคนหลงว่าเป็น พระนิพานแต่ไม่ใช่พระนิพานแท้ๆเป็นนิพานทมให้เข้าใจอย่างนี้นะอยากไปไหมล่ะอยากไปไหมล่ะถ้าอยากไปอยู่ครบนี้ก็นั่งสมาธิให้ได้ในชาตินี้แหละนี่เรียกว่าสร้างบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีให้เจ้าของตั้งแต่ยังยังไม่ตายเรียกว่ากุศลาให้เจ้าของสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของ ไม่ใช่ตายเลี้ยวจะไปพรหมโลกมันไปไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิภาวนาทนสู้อยู่อย่างนั้นปวดแข่งปวดขาก็ต้องสู้จะไปสุดอยู่เห็นพรหมโลกยังไม่ตายก็เห็นพรหมโลกถ้าจิตสงบให้เข้าใจอย่างนี้นะเห็นเดี๋ยวนี้เห็นจิตสงบนี่แหละนี่แหละคนฉลาดเขาจึงมาย่นพบยนชาติให้เจ้าของ ถ้าได้เป็นพระโสดาบันก็มาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกเกียติชาติพอไปพระนิพพานถ้าขึ้นไปพร ม, มโล ก, กเกิดชาติเดียวนบนพร ม, มโลกแล้วก็ตกลงมาหมดอายุการนั่งสมาธิภาวนาหมดการบำเพ็ญภาวนาบุญกุศลที่เราบำเพ็ญ น, นั่งสมาธิอยู่นี่แหละมันหมดอายุเป็นถ้าได้ชาตินั้นชาตินี้ครบ ละเอียดขึ้นไปเกิดอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้หมดอายุของผมก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มาบำเพ็ญภาวนาบางทีมาเป็นมนุษย์เนี่ยหมูล่ล่ามากลากไปพาไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมไปกินเหล้าเมาสุราก็ตกไปอยู่อบายภูมินั่นแหละที่เนี่ยไม่ใช่ของดีนะลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่แน่นอน ถ้าตกไปอบายภูมิกว่าอายุยืนถ้าไปเป็นสัตว์นโลกก็โลกโลกกลับโลกปิ่นสองกับสามกลับไม่รู้ว่าจะพ้นจากเมืองนรกหรือไม่อายุในเมืองนรกก็สูงเหมือนกับพ ม, ม่าโลกนะลงไปข้างล่างก็สูงอายุยาวเหมือนกันนะถ้าไม่นั่นก็เขียนติดไว้หน้าหนะ้าฉลาหนึ่ไปกรอบไว้นัหนึ่งผู้ไป อุบัติบนพร ม, มโลกชั้นนี้อายุยนันยืนยาวเท่านีา้ต้องไปดูให้เข้าใจนี่พร ม, มโลกนะนี่แหละกุศลลากในเรื่ของสร้างบุญสร้างบุศลทีนี้ขึ้นไปถ้าได้จิตสงบถึงอรูปฌานอารูปฌานก็ยิ่งไปเป็นเท่ามาหาพรมนั่นะ่ ละเอียดขึ้นไปนี่สูงขึ้นไปนี่อีกเหมือนกับพระนิพพานกว่าจะกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่โอ้ยอายุยืนยาวในอารูปผมหรือมีแต่ระเวยสุขอย่างเดียวเหมือนกับพระนิพพานขึ้นไปอยู่นิพพานผมหมดอายุบำเพ็ญภาวนาในฌานเรามันมีอายุหมดเป็นอนิสง พ็กลับมาอีกนั่นแหละท่านจึงว่าแม้สมนุษย์หรือสวรรค์หรือผมมโลกก็ยังมีการเวียนว่ายใจเกิดอยู่ไม่เที่ยงแค่แน่นอน เ, อเราจึงบำเพ็ญขึ้นไปเกิดอยู่นั่นแหละกุศลาให้ยาของให้ได้ไปเกิดอยู่ยุติบนพระนิพพานหนึเหนือโลกทั้งสามเหนือสารแดนโลกกระทัด มันมีแค่นี้นะกุศลาที่ไปบอกบุญให้คนตายกุศลาธรรม า, ากุศลาธรรมาก็ไปอภยากตาธรรมานะดวงจิตดวงใจของเราอยู่นอกบุญเนื้อบาปอยู่นอกบุญเนื้อบาปก็ต้องมารู้เท่าเข้าใจขันห้าอีกออกจากสมาธิแล้วมาพิญณาดูรูปนามขันห้นาอายตนะหกธาตุปอินทรีย์ยี่สิบสอง ให้เข้าใจจนถึงอริยสัจสีนั่นละกระแสปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่าวิปัสนาภูมิภูมิจิตภูมิใจวิปัสนาแปลว่ารูกแก้กแจ้งรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งขันห้ารู้แจ้งซึ่งอายตนะสิบสองรู้แจ้งซึ่งซาตสิบแปดรู้แจ้งซึ่งอินทรีย์ยี่สิบสอง รู้แจ้งซึ่งอริยสัจสี่รู้แจ้งซึ่งกระแสปฏิจจสมุปบาทอย่างหดึอย่างหนึ่งจึงจะดับขันแล้วเข้าสู่นิพพานได้ต้องดําเนินเดินไปอย่างนี้ให้เข้าใจนะให้เข้าใจวิธีทำดําเนินเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆโชคดีได้มนุษย์สมบัติได้มาเกิดมาเป็นคน ได้รู้จักได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาได้ถ้าเกิดไปเป็นสัตว์หลังทาบุญทําทานได้ไหมหลังแต่เป็นเป็ดเป็นสัตว์นรกทําบุญทําทานไม่ได้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานกน็สร้างบุญสร้างกุศลไม่ค่อยได้อ่าให้เข้าใจอย่างนี้เราได้มนุษย์สมบัติเป็นของประเสริฐเลื่อเลยแล้วให้รีบเอา เครื่องมือของเราเนี่ยเอากายของเราเอาวาจ า, ข อ, า, อาของเราเอาจิตของเรานี่อุปกรณ์เครื่องใช้ของเราเนี่ขับขี่เป็นญานวิถีขัดขี่เข้าพันิพานเสียกุศลางให้เจ้าของนี่แหละกุศลาธรรมานี่ น, นี้เมื่อขึ้นไปแล้วจิตที่อยู่นอกบุญเนื้อบาสนอกรักเนื้อชัง นอกสุกเนื้อทุกท่านก็เรียกว่าอภยยากตายจิตรับขันหาได้เข้าสู่พระนิพพานจิตอันนี้เรียกว่าธรรมชาติอย่างที่พูดให้ฟังพระโสดาบันก็จิตตกกะระแสเหมือนกับน้ำตกอยู่ในห้วยในคลองไหลลงไปสู่ทะเลก็เป็นน้ำเค็มหมด อิกของพระโสดาบันก็ไหลทวนกระแสขึ้นไปเป็นสกิทธาคามีอนาคามีพระอรหันต์ก็ไปถึงธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันหมดเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเมื่อไปพระนิพพานไม่ได้ทำยากอะไรมากนะแต่คนไม่กล้ามาทำเฉยๆ ม, มารักษาศีล พะก็ศีลสอร ย, ยอเกยเ ก, ยก็บวกกุศลกรรมบทสิบเราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นเท่านั้นเป็นพระโสดาบันตัง้งบำเพ็ญเพียรภาวนาขึ้นไปอีกอละความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงก็เป็นสกิทาคามีหรือละกามชันทะพยาบาทเบาบางลงแต่ไม่ขาดก็ได้เป็นสกิทาคามี บำเพ็ญสร้างกุศลขึ้นกุศลาให้เจ้าของอีกต่อไปเอากายเจ้าของมาเพายนาเห็นเป็นอสุภะสุพังเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเห็นกายเจ้าของเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นหน้าเกลียดหน้ากลัวเป็นอสุภเ อ, อเปล่าเน่าเปื่อยผ้พังลงเป็นของหน้าเกลียดแล้วก็เบื่อหน่ายในกาย ก็เบื่อในกามเบื่อหนายในกมามก็ดับกามมาชันทะพยาบาทได้พอเป็นพระอนาคามีก็บำเพ็ญขึ้นไปอย่างนี้แหละออกจากนี้ก็เอากายเจ้าของไหละมาพิจารณาดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครตายของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนก็เป็นเด็กน้อยอย่างนี้นะต่อมามันก็มาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวขึ้นมาเท่าแกขึ้นมา <c oughs> จนหัวงอกนนัหัวงอกเอายามาย้อมมันก็ไม่อยู่มันก็งอกคือเก่าเสีย ด, ด้ยว่ามันไม่ไมเที่ยงแล้ว น, นัง เนื้อหนังมังสังเราก็เหยียวย่นลงไปนี่มันไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ว่ามันอย่างอกนะผมอย่ามันจนะแก่ในร่างกายไม่ได้ท่านจึงว่ามันแก่เป็นธรรมดาใครจะไปนี่แหละสัจจะคือความจริงคือธรรมดาให้เราเข้าใจอย่างนี้ให้เราเห็นสัจจะเห็นความจริงคือเห็นมันเป็นธรรมดาเราจะไม่ ฝืนธรรมดาจะไม่แก้ไขธรรมดาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้นี่นี่พิจารณาไปอย่างนี้ธรรมดานี่มันเป็นยังไงก็มันไม่เที่ยงนนะั่นแหะมันแปรปวนอยู่ตลอดวันตลอดคืนวันนี้ก็แก่กว่าเมื่อวานนี่แล้ววันนี้ก็ใกล้จะตายกว่าเมื่อวานนี่แล้วทุกคนนะนะั่นแหะนั่งอยู่เนี่ยย่นย่อเข้ามาใกล้ความตายก็ามานี่ ให้เข้าใจว่าอย่างนี้นะให้เข้าใจอย่างนี้การพิจารณาจนเราเห็นกายของเรานี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นหลูกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทนอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครเราก็เบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในกรรมก็ไม่อยากกลับมาเกิดอีกเนี่ย ให้กลับมาเกิดอีกก็ละขันห้าดับขันห้าได้ดับรูปได้ดับเวทนาสัญญาสังขารได้ไนี่แหละที่ว่ากุศลาน่ยนะไม่ได้อยู่ที่ไหนสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมให้ทานนักษาศีลภาวนานี่แหละเนียกว่ากุศลาในที่สุดก็เหลืออยู่กุศลาก็แปลว่าความฉลาดอันได้แก่สติปัญญา มีสติปัญญารู้เท่าสังขารดับสังขารคือขันห้าได้ขันห้าเกิดขันห้าดับว่ารู้เท่าเอาทันขันห้าในอุปทานขันห้าว่าที่ลอยยอดว่าที่ว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์นั่นถ้าเราดับขันห้าได้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้คือไม่ยึดไม่ถือในขันห้า ขันห้าเกิดเองดับเองเราไม่ไปอุปทานเอาขันหา้าดับอุปทานขันห้าได้ละขันห้าดับขันห้าได้จะไปถามหาที่ไหนพระนิพพานเ อ, อเอามันไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลดอกมันก็อยู่ที่นี่แหละเอาละดังแสดงมาก็สมควรเจเวลาอวัง หาวิธีดับคันหาให้ได้ได้ยอมพอได้อยากจะดับบ้างไหมล่ะหรือเสียดายของมุงมากมายไ ก, ยก่คองอยู่ฮะบบช่องเขาเยาอะมันไม่ใช่เลือกอยกจะไปก็จบ จ, จ, จะดับได้เลยง่ายเนาะโอ้ยถ้าตัดสินใจหนีมามันก็พอได้อยู่มันก็มาคาอยู่นั่นแหละแต่ก่อนน้องคาดวงตามาคาอยู่แล้ว ถ้ามีออกจากบ้านได้ก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้ว ต, <c oughs> ต้องใจกล้านะอย่างอื่นมันมันมันมีหมดทุกอย่างแล้วละ่ะอย่างอย่างนั่นก็ไม่มีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละปัญญาเรามันยังอ่อนอยู่ยายังอ่อนอยู่ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ที่เบิดอุย <c oughs> ภาคษาฮะตั้งใจเอา มันไม่อยู่ไกลหรอกอยู่บ้านเขาภาวนาเอาเหมือนเดิมนั่นแหละที่ไหนจะไม่เหนื่อยมันคนเหนื่อยด้วยกันทํางานอ่าไม่อยากเหนื่อยก็มาอยู่เหมือนล่องตาลไม่เหนื่อยหรอก <c oughs> ตลอดวันไม่มีอะไรเละดลูลมหายใจลมหายแล้วก็ดูความว่างอยู่มันก็มีความสุขอยู่ตลอดวัน สุกได้ยังไม่ตายตายไปแล้วก็จะไปเสวยสุขอย่า น, นไม่ต้องไปหายุ่งยากกับอะไรมากแต่ก่อนหนมีลูกมีห ล, ลานก่อนรุ่งยากมีอะไรก็ยากหมดน้อยมีธุระของเของก็ยังไม่เห็นธุระของคนอื่นนั่นแหละมันยากอ่ะใช่ไหมเขาเป็นอะไรเขาเป็นงานเป็นการนีมีเรื่องอะไรเขาก็แชิญเราไปอีกแล้วยากอีกแล้ว อถ้าไม่ไปก็กเพียงใจกันเสร็จแล้วเสก็ดึงธุระตัวเองนะครับธุระเจ้าของหลบส่วนใหญ่จะไม่มาแต่ธุระของคนอื่นนั่นแหละ<ช>น่นะส่วนมากส่นมากมั น, มนมเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันเนี่ยธุระของเขานั่นแหะมันไม่ไกลดอกไม่ไกลนะที่มาปฏิบัติ ด, ดูเนี่ยมันใกล้อยู่พิแรกก่ให้ท่านรักษาศีลก่อนได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้ว ทีนี้เราจะมาหาภพสมบัติต้องมานั่งสมาธิเลือกเกิดได้ไหมทีนี้ฮ้ยอมเบิดเลือกเกิดได้นะเราไม่แปรอบายยภูมิเราเลือกได้แล้วอบายยภูมิเราปิดได้ทีนี้เราจะไปอยู่ภพไหนล่ะทีนี้อยู่ภพไหนถ้าอยากมาอยู่สวรรค์ก็มีสองอย่างมีฮิริกับโอตตะปะทำที่ทําให้คน เป็นเทวดามีหิลิกับโอตปะหิลิก็ความและอายเจอใจโอตตปะคือความสะดุ้งเปลงกลัวต่อบาปอันเรียกว่าวอันนี้เรียกว่าเทวธรรมมันก็ง่ายขึ้นมาเลือกเอาแหละเทนเน่ถ้าอยากจะไปเกิดพมโลกเร่งเอาสมาธิถ้าจะไปนิพพานก็ได้สมาธิแล้วก็ดับสมาธิ อันเรียกว่าเจโตวิมุตต์หยุดพ้นจากขันห้าด้วยจิตสงบเขาเรียกว่าเจโตวิมุตต์ทำเจโตวิมุตต์ให้เกิดขึ้นเออก็ไม่ยากเจโตวิมุตต์นั่นนะมันก็เป็นขันละเอียดขึ้นไปขันมันมีสามอย่างขันหยาบ ก, ก็คือนี่แหละนั่งอยู่เนี่ยขันหยาบหยามองอยังนนอันละเอียดก็เป็นรูปปจิตคือรูปพม ขันอันประีตก็คือลรูปครมทำลายขันนีสามขันนี่อย่างได้อย่างหนึ่งหรือเรียกว่ามันเรียกว่ากรมมโลกรูปโลกอรูปโลกนี่โลกทั้งสามเราดับโลกอะไรได้ดับโลกอันเดียวได้ก็โลกอันอื่นก็ดับเหมือนกันดับกรมมะโลกได้ก็ไม่มาเกิดอีกดับรูปโลกได้ก็ไม่มาเกิดอีกดับอารูปโลกได้ก็ไม่มาเกิด มันมันไม่ไกลนะมันไม่ไกลนะอืมไม่เชื่อลองมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูามาเอาฟังเอาคืนเดียวนั่งคืนเดียวไม่ได้เลยลอกลองดูนะมันจะเป็นยังไงนะตั้งแต่ก่อนก็ไม่ไม่รู้ทางดันเนินเดินไปกแกมแจ้งอย่างนี้หรอก ก็ค่อยหาค่อยทำไปเรื่อยๆค่อยเข้าใจรู้ขึ้นมาเรื่อยๆมีแต่พ่อสั่งไว้ให้ลูกไปออกไปบวชอีกมรรคผลนิพพานมันมีจริงๆพ่อสั่งเอาไว้ให้ลูกเสร็ภาระแล้วให้ออกรีบออกไปบวช ด, ดูแล้วก็จะตายเหมือนเก่าก่อนจะตายก็ให้มาสัมผัสกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหน่อย มันละพากันเข้าใจเนดะ้อสงสัยอะไรไหะอยากก็ะถามอะไรไหมอือถามอะไรอีกไหม